ชื่อเอนตามตามตำเนียมดาวค่ะค่ะในวัฒ ก, การดวงตาค่ะก็เหนูก็ไปพิจารณาดูมันมันก็แบบเอ๊นอกจากที่ที่บอกว่าอ่ารู้ที่เป็นพุทธะมันรู้ขึ้นมาในขณะที่เราไม่ได้ตั้งใจจะรู้ตั้งใจจะตั้งใจจะคิดแล้วขานาดเดียวกันรู้ที่มันเป็นวิสังขารมันก็คู่ขึ้นมาคือรู้ตัวนั้นโดยที่ไม่ต้องมีใครบัญญัติไม่มีใครไปทําอะไรมันเลยแล้ว มันก็หมายว่าเอ้แล้วอย่างที่ตอนที่มันเกิดสภาวะอย่างเงี้ยในขณะที่เรากําลังคิดทํางานหรืออะไรเนี่ยเราไม่ได้คิดจะผู้เอ่อคิดเฉพาะเรื่องงานอยู่ตรงหน้าแต่มันก็จะมีเห็นความคิดอื่นที่มันแทรกเข้ามาเป็นระยะระย ะ, ะ, ยะซึ่งแวบหนึ่งของของต้นที่มันคิดที่มันแทรกขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยมันตัวนี้ที่มันเป็นรู้ที่เป็นไม่ไม่ได้ตั้งใจคือคิดไม่ตั้งใจแล้วก็รู้โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจรู้ แต่หลังจากนั้นพอปลายมันก็จะเป็นตัวที่เราเข้าไปปรุงแต่งแล้วแล้วพอเรื่องพอปรุงแต่งเสร็จมันก็มีคิดอันใหม่ที่มันซ้อนขึ้นมาอีกและนอกจากถ้าเราสังเกตในจัลวันมันมันก็มีหมักอยู่ตลอดแต่เราไม่รู้จักหน้ามันแค่นั้นเองถูกต้องแล้วแต่ถ้าเราเห็นมันบ่อยๆเราก็เราทำได้เพเ่อกเห็นมันบ่อยๆเห็นไม่บ่อยเดี๋ยวมันก็รู้จักัเองที่ท่านบอกว่าพบใจพบธรรม ใจก็คือผู้รู้ที่ที่ไรจตนาเนี่ยที่ไม่ได้ตั้งใจจะรู้อยู่มันรู้ขึ้นเองเนี่ยคือพบใจพบธรรมแต่ทําไมพบใจแล้วมันยังไม่เป็นนิพพานท่านบอกว่าพบใจแล้วพบธรรมถึงใจถึงพวานิพพานก็คือเรามันมันมันต้องพบกันบ่อยๆพบใจบ่อยๆใจที่ที่มันรู้ขึ้นมาโดยที่ไม่มีเจตนาน่ะไม่มีเจตนาที่จะตั้งใจรู้แล้วอยู่ๆก็มันก็คิดปรุงแต่งึ้นมาเอง แล้วอยู่ดีมก็รู้ก็ไอ้มันก็มันก็รู้พร้อมกันกับไอที่คิดอะเออไอ้มันเห็นไอ้ที่เห็นหรืรู้เนี่ยที่ว่ามันมันมันคิดกันมาเองอันนั้นแหละคือคือรู้กันมาเองไอ้ที่คิดกันมาเองเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยที่เราเนี่ยเป็นผู้ที่แบบว่าปฏิบัติมายาวนานเราต้องขัวแล้วละเอียดมาแล้วก็เห็นเห็นให้ผู้รู้ที่มันคิดได้คือจิตวิญญาณขันแนี่ผู้รู้ที่คิดได้แล้วแหละ้วเราก็พยายามตั้งใจรู้สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจไล่ใจปล่อยวางที่ใจตลอดเวลาเนี่ย คือสติเนี่ยมันจี๋จี๋จี๋ี๋จีี๋จีเลยแต่สติตัวเนี้ยมันจะเป็นสติของขันหน้าคือเป็นสติขันหน้าสมาธิขันหน้าปัญญาของขันหน้าคือตั้งใจที่จะรู้ที่ใจเพื่อเพื่ออะไรกับเพื่ออะเพื่อไม่ให้เราแหละหลงไปกับรูปที่ถูกรู้เสียงที่ถูกรู้กลิ่นที่ถูกรู้รสที่ถูกรู้สิ่งที่มาสัมผัสที่ถูกรู้แล้วก็อารมณ์หรืออาการทางใจที่ถูกรู้ทําอารมณ์ที่ถูกรู้มันก็เลยต้องมารู้ที่ผู้รู้คือมารู้ที่ใจว่า ไอ้ผู้รู้เนี่ยคือตัวเราเนี่ยไปรู้อะไรแล้วมันก็มาภาคในใจรู้อะไรแล้วมาภาคในใจรู้อะไรมาภาคในใจแต่ตัวนี้เราจะรู้ได้เราก็ต้องอาศัยสติแมาที่ปัญญาในขันห้าเนี่ยตัวขันห้าเนี่ยมาเพียนเพี้ยนเพียนหรือพยายามที่จะรู้ที่ใจอย่าไปรู้สิ่งที่ถูกรู้ให้มารู้ไอ้ผู้รู้เรู้แต่ผู้รู้รู้แต่ผู้รู้กัดติดจดจ่ออยู่ที่ผู้รู้แต่ที่ว่ากัดจิตติดกัดติดจดจ่อรู้อยู่ที่ผู้รู้เนี่ยมันต้องใช้ความเพียนของสติมากเลยที่เป็นสติในขันห้า รู้รู้ไม่ใช่รู้อะไรก็แค่รู้สัตว์ประหลุ่ยรู้สัตว์ประหลุ่ยรู้กับมันก็จะรู้อันใหม่เรื่อยไปรูยไอ้จิตวิญญาณขันเนี่ยที่มันมันทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดเนี่ยก็จะรู้อยู่อย่างนี้แหละไม่ไม่หลงไปจับสิ่งที่ถูกรู้เลยแล้วก็ไม่เหม่อเผอเพลินคิดปรุงแต่งอะไรไปแล้วก็มันก็ไม่ไปจับนิ่งจับเฉยอย่าตอนเนี้ยเพราะอะไรเพราะว่ามันยืนอยู่ที่ผู้รู้พอเป็นอาการของใจเนี่ยมันนิ่งเฉยว่างโล่งโปร่งเบาสบายมันเ้้าาหผููรลยว่ ใครเป็นคนรู้ว่างโลกโปร่งเบาสบายนิ่งเฉยเนี่ยก็คือตัวเราเนี่ยผู้เป็นคนรู้มันรู้ที่ตัวเราเนี่ยมันนิ่งเฉยว่างโลกโปร่งเบาสบายไงก็ตามตัวเราจะพูดไม่หยุดคือไม่ว่างมันก็พูดว่างก็พูดมันจะพูดไม่หยุดเลยพูดอยู่ตลอดเวลาคือมันพากันพากแล้วมันพูดได้ตลอดเวลาวันนี้ยแต่มันเป็นความรู้เป็นสติสมาธิปัญญาเป็นรู้ที่มันยังมีความตั้งใจมีความเพียรที่จะรู้ รู้เนี่ยสติตั้งที่ใจดูที่ใจสังเกตอยู่ที่ใจไล่ใจปล่อยวางที่ใจไอ้ตัวเนี้มันต้องฝึกตรงนี้มามาจะละเอียดมากแล้วแต่ขณะที่อยู่ๆเนี่ยเช่นว่าเราตื่นนอนตอนเช้าเราอย่งไม่ทันจะลืมตาเลยแต่มีความรู้สึกตัวแล้วพอมีความรู้สึกตัวแล้วย่งไม่ทันตั้งใจจะคิดอะไรแล้วไม่ทันจะตั้งใจจะรู้ตั้งใจจะรู้ที่ใจอยู่ๆมันก็เอ๊ะมันก็คิดขึ้นมาก่อนเลยแล้วก็ พอมันคิดขึ้นมาก่อนเนี่ยเอามันก็รู้ไอ้ที่มันคิดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะรู้แล้วก็ไอ้ที่มันคิดมาก็ไม่ตั้งใจจะคิดมันคิดขึ้นมาก่อนแล้วไอ้ไอ้รู้มันก็มารู้ไอ้ไอจิตที <lands> <st colabor ative> like ่มันคิดขึ้นมาโดยที่ไม่ตั้งใจจะคิดไอ้รู้มันก็เลยไม่ได้ตั้งใจรู้ตอนเนี้พอพอมันมันมันคิดขึ้นมาเองมันคิดขึ้นมาเองแล้วรู้ขึ้นมาเองเนี่ยไอ้ไอ้ที่คิดขึ้นมาเองเนี่ยมันเป็นมันเป็นธรรมชาติของขันห้าแท้ๆโดยที่เราไม่ตั้งใจคิดสังเกตไหมถ้าเราไปตั้งใจคิดเนี่ย มันมีตัวเราเนี่ยเข้าเป็นผู้เริ่มต้นมีตัวเราเข้าไปเป็นผู้เป็นผู้ปรุงแต่งมันก็เลยเป็นอวิชชาเพราะว่ามีตัวเราเข้าไปตั้งใจคิดแต่เวลามันคิดขึ้นมาเองเนี่ยโดยที่ตัวเราไม่ได้ตั้งใจคิดมันเลยไม่มีตัวเราอันเนี้ยมันเป็นขันห้าที่บริสุทธิ์แท้ๆที่พุทธเจ้าก็เหลือแต่ขันห้าพระลานั้นเหลือแต่ขันห้านี้แล้วก็ในส่วนรู้เนี่ย สังเกตไหมมันก็รู้ความคิดที่ไม่ตั้งใจคิดขึ้นมานี่ยรู้เนี่ยก็เลยเป็นรู้ที่เป็นธรรมชาติรู้ที่บริสุทธิ์ไม่มีตัวเราเข้าไปร่วมไม่มีตัวเราเข้าไปตั้งใจรู้เป็นเลยพบธรรมชาติแท้ๆสองอันคือธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งแท้ๆคือขันห้าซึ่งเป็นขันห้าของพุทธเจ้าครับขันห้าอะหันก็เป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งแท้ๆอย่างนี้โดยสิ้นมีตัวเราเข้าไปเป็นฝ่ายปรุงแต่งกับ เป็นรู้ธรรมชาติของฝ่ายรู้ที่ไม่อาจปรุงแต่งได้เป็นวิสังขารหรือเป็นอสังขตธาตุที่เป็นธรรมชาติทิ่ได้แต่รู้อย่างเดียวคิดไม่ได้นึกไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้ตัวตนของผู้รู้ไม่มีเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งได้แต่รู้อย่างเดียวพอมันเป็นรู้อย่างเดียวที่เป็นรู้ทนธรรมชาติไม่มีตัวเราไป็คนไปตั้งใจรู้มันเลยพบธรรมชาติของธาตุรู้ที่ไม่ปรุงแต่งกับพบขันห้าที่เป็นธรรมชาติปรุงแต่งแท้ กับธรรมชาติของรู้แท้ๆที่ไม่ปร okay, ุงแต่งบริพบธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งสองธรรมชาติซึ่งอันนี้มันมีอยู่แล้วในธรรมชาติที่พระเจ้ามาค้นพบอันนี้คือธรรมชาติปรุงแต่งคือขันห้าและไม่มีใครไปยึดขันห้าแล้วก็ธรรมชาติของรู้ที่เป็นพุทธะมันมีอยู่แล้วในในสัรพะสัตตังหลายมีอยู่แล้วในพระเจ้ามีแล้วในพระอรหันต์มีอยู่แล้วในปุถุชนและในสัพพสัตต์ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดมีธรรมชาติรู้ที่ไม่เคยเกิดดับไอ้ส่วนขันห้าเนี่ย หรือรูปร่างในแต่ละชาติเนี่ยเกิดดับแ ต, ตกทําลายไปแต่ธรรมชาติของธาตุรู้เนี่ยไม่เคยเกิดไม่เคยดับได้แต่ถ่ายร่างไปถ่ายร่างเปลี่ยนไปถ่ายร่างเปลี่ยนไปแต่ร่างที่ถัถูกถ่ายร่างเปลี่ยนไปก็แตกดับทุกชาติแต่ธรรมชาติของธาตุรู้ cleaning, ไม่เคยแตกดับทําลายเพียงแต่ว่าที่มันต้องถ่ายร่างไปอยู่ในร่างอื่นก็เพราะว่ามันมีอักวิชาผสมอยู่คือมีลงยึดว่ามีมีเรามีตัวเรามีตัวตนของเราเข้าผสมไอ้เจะลงยึดยังไงก็คือว่าเวลาคิดก็มีคือ ตัวเราเนี่ยเป็นผู้คิดตัวเราเป็นผู้คิดพอพอรู้ครับก็เป็นตัวเราเป็นผู้รู้เพราะเองมีคําว่าตัวเราเป็นผู้คิดคือเราเนี่ยก็คิดมันตะี้นคิดนี้ตั้งวันเลยไม่เคยมีสักครั้งหนึ่งที่เราเนี่ยอยู่ๆแล้วมันมันคิดขึ้นมาเองโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ตั้งใจคิดอันเนี้มันถึงจะเป็นธรรมชาติของขันธ์แท้ๆที่พุทธเจ้าทั้นสิ้นแล้วซึ่งอาวิชามันก็เหลือๆแต่เห็นว่ามันมีคิดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจคิดด้วยแล้วก็รู้ขึ้นมาโดยที่ไม่ตั้้้งใจรูดวย จึงพบธรรมชาติแท้ๆสองอันพอพบเสร็จพอธรรมชาติของรู้แท้ๆที่มันไม่มีตัวตนไม่ ม, ไ ม, มีไม่ได้มีความตั้งใจรู้เขาเรียกว่าใจใจหรือจิตเดิมแท้นั้นจึงมีคำเกล่าวของพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าพบใจพบธรรมนี่คือธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งแท้ๆกับพบธรรมที่เป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งแท้ๆที่เป็นขันท่าที่บริสุทธิ์ที่ไม่มีตัวเราไป็นคนไปตั้งใจคิดตั้งใจปรุงแต่งกับไม่มีตัวเราเนี่ยไปตั้งใจเป็นธาบ ร, รู้คือไปไ ป, ไปเป็น ไปคอยรู้ไปตั้งใจรู้ไปพยายามรู้เลยเหลือแต่คิดแท้ๆที่มันคิดขึ้นมาเองกับรู้แท้ๆที่มันรู้ขึ้นมาเองคือรู้อะไรก็รู้คิดนั่นแหละรู้ที่มันคิดขึ้นมาเองนั่นแหละเรียกว่าพบใจพบธรรมพบธรรมแล้วคือธรรมชาติที่ปรุงแต่งแท้ๆที่เป็นความบริสุทธิ์แท้ๆมีแต่ขนันห้าไม่มีตัวเราเข้าไปผสมกับธรรมชาติของรู้แท้ๆคือธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งไม่มีตัวตนแะที่รู้แท้ๆเนี่ยเขาเรียกว่าใจหรือจิตเดิมแท้ๆใจหรือจิตเดิมแท้มันอเนี้ย มันไม่เคยเกิดไม่เคยดับไม่เคยไม่เคยแตกไม่เคยทาลายมันก็คือเราเนี่ยที่ที่เกิดดับมาหลายชาติกับมากับไอ้นี่ยแหละไอ้ธาตุรู้เนี่ยแต่มันบวกเอาวิชาซะจนกว่ามาพบไอ้ใจที่เป็นผู้รู้ที่ไม่ปรุงแต่งคือรู้แท้ๆขึ้นมาโดยที่ไม่มีตั้งใจจะรู้ไม่พยายามรู้แต่มันพบรับก็หายเลยที่เธอบอกอะพบแป๊บเดียวที่ดาวบอกว่าพบแป๊บเดียวแล้วก็หายไปแล้วไปปรุงแต่งต่อพบแป๊บเดียวไปปรุงแต่งไปปรุงแต่งต่อแต่ไม่เป็นไรถ้าเราเคยพบแล้วเดี๋ยวก็ต้องเจอได้ คือพอมันเห็นนะคะแล้วเราก็มัดต้องเพียรต่อก็เพียรต่ออีกเพียรเพียรเพียรเพียรก็คือว่าก็เพียรแบบเดิมคือเพียรสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจก็ก็เพียรแบบเดิมแต่เป็นสติสมาธิปัญญาในขันท่าเป็นสติที่เพียรเป็นสติเป็นที่มีความเพียรมีความพยายามคือตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจไม่งั้นเนี่ยมันก็จะหลงไปหายสิ่งที่ถูกรู้อีกไปหาลมที่ถูกรู้คือรูปเสียงกลิ่นรส สัมผัสแล้วก็ทําอารมณ์อาการหนึงหรือว่าคิดไปถึงคนนั้นคิดไปถึงคนนี้มันไม่เป็นรู้ซะแล้วมันไปเป็นคิดแทนเราโมฝึกเป็นรู้ไม่ฝึกคิดฝึกเป็นรู้คิดรู้คิดแต่ที่เรามารู้ก็เพราะว่ามันตั้งใจรู้ไว้อันนี้มันตั้งใจรู้ไวมันมาตั้งใจไอ้ผู้รู้ไอ้ผู้รู้ผู้คิดผู้รู้ผู้คิดไอ้ผู้รู้ผู้คิดนี่คือจิตวิญญาณขันในขัะห้ามันมันทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดไอ้นี่คือเรามาตั้งใจมันรู้ไอ้ไอ้ผู้รู้ที่เป็นคิดได้ในตัวเราเนี่ยแหละเราไม่ ก <ห Leben. S 1> ็ก <authority> ลับมาเปสติต <party> <Uganda> ั้งใหม่สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจรักที่ใจก็เพียนอย่างเงี้ยจะต่อเนื่องไม่ขาดสายแล้วเหนื่อยเหนื่อยเออบางก็บางคู่บางขนาดเนี้ยเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็พักไปคู่หนึ่งอ่ะคือพักที่สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจไล่ใจพักสักคู่หนึ่งคือเพียนเพียรมีสติเนี้ยมันเหนื่อยแล้วรู้สึกว่าสักครู่หนึ่งที่ก้มไปหยิบทําอะไรอ่ะเออไม่ได้มีตั้ความตั้งใจจะดูดูจิต ดูใจตัวเองคือก้มไปจะหยิบอะไรก้มไปจะทําอะไรแล้วอยู่ๆไ ป, ไปตอนที่มันตอนเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะคิดเรื่องทำและไม่ตั้งใจจะคิดเรื่องนิพานแล้วไม่ตังจจงต้งใจที่จะรู้จิตแล้วคือตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับพักไปเซี่ยวนทีเดียวคือก้มไปหยิบอะไรแล้วอ่ะอยู่ๆเนี่ยไอ้จิตที่มันปรุงแต่งแท้ๆมันขึ้นมาโดยที่เราไม่มีเจตนานแจะคิดเราเลยไอ้ไอ้ผู้รู้มันก็เลย รู้นั้นเลยรู้รู้ความคิดนั่นแหละที่ไม่มีเจตนาคิดไอ้ผู้รู้มันก็เลยรู้มาพร้อมกันกับไอ้จิตที่ไม่มีเจตนาคิดไอ้ผู้รู้ก็ไม่มีเจตนาจะรู้แต่มันเมื่อมันมีความคิดเกิดขึ้นแล้วไอ้ผู้รู้ก็เลยรู้นั่นเลยรู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นที่ไม่มีเจตนาไอ้รู้ก็ไม่ไม่มีเจตนาไม่ทันจะตั้งใจรู้เพราะว่าก่อนนั้นอ่ะมันก้มจะไปหยิบอะไรอยู่มันก็เลยเป็นรู้ขึ้นมาเพียวๆแต่แท้มันเลยเป็นรู้แท้กับไอ้จิตเนี่ยที่มันเป็นขันห้าแท้ๆที่มันคิดปรุงขึ้นเองดยที่ ไม่มีตัวเราไปตั้งใจคิดううพอมีตัวเราไปตั้งใจคิดพมันมันีอวิชชาบวกคืออวิชชาคือตัวเราบวกกับความคิดคือมีตัวเราไปตั้งใจคิดแล้วก็พอเราตั้งใจรู้มันมีตัวเราอวิชชาบวกกับไอที่รู้ก็เลยนี่อมีตัวเราไปบวกกับรู้เป็นอวิชชาคือตัวเราเนี่ยเป็นตั้งใจรู้แต่นั้นแหะอวิชชาเนี่ยมันมาอยู่ไอที่ตัวรู้เพราะความไม่รู้มันก็เลยเอาตัวเราเนี่ยไปตั้งใจคิดไอความไม่รู้เนี่ยพอรู้พอตัวเราเป็นผู้รู้ซะ มันก็เลยไม่ไปเอาตัวเราไปตั้งใจคิดมันก็เลเป็นรู้แล้วก็มันเป็นรู้ที่ไม่ปรุงแต่งตั้งใจรู้มันเป็นรู้ที่เป็นธรรมชาติพอมันพบรู้ที่เป็นธรรมชาติแล้วต่อไปอ่ะเราก็มันก็จะปรุงแต่งพบลิงเซี่ยววินาทีเดียวเราไปเอไอเข้าเฮ้ยอะไรอ่ะอย่างเงี้ยเราก็เราก็หลุดไปเพราะอะไรเราอยากเราอยากจะให้เป็นมาพบใจที่ไม่ปรุงแต่งนี่กลับมายึดใจเลยเห็นไหมกลับมายึดใจผู้รู้เลยเนี่ยกลับมายึดใจผู้รู้จะให้จะให้เป็นใจที่ไม่ปรุงแต่ง เออกับมันยึดใจผู้รู้จะให้ปรุงแต่งมันก็เลยมีเอาวิชากลับย้อนกลับมามายึดไอ้ผู้รู้แทนที่เดิมเนี่ยมันไปเป็นเอาวิชาที่คิดคือมันเอาตัวเราไปคิดอยู่เรื่อยพอมาพบรู้เข้านีเนี้ยมารู้ที่ไม่ปรุงแต่งอยู่ๆมารู้ขึ้นมาเองอ่ะตอนเนี้อยากจะให้มันเป็นรู้ที่ไม่ปรุงแต่งตลอดไปแตนเนี้ยมันย้อนกลับมายึดไอ ไอ้ใจผู้รู้ซะแล้วที่มันไม่ปรุงแต่งจะทํำยังไงอยากให้ไม่ปรุงแต่งอยากให้เป็นรู้ที่ไม่ปรุงแต่งมันกลับว่ายึดไอ้รู้ซะแล้วจะได้ยึดยึดใจตัวเองซะแล้วมาเลยกลับมาเป็นเอาวิชาอีกที่ต้องตามหาบัวบอกว่ารู้หรือใจเนี่ยไม่ใช่ขันห้ามันแยกปัญหาออกจากขันห้าปล่อยวางขันห้าเสร็จแล้วเนี่ยมายึดใจเนี่ยก็เป็นเอาวิชาตัวใหญ่คือมันจะยึดใจที่ให้มันแบบว่ารู้แบบไม่ปรุงแต่ง นี่เราพอเราเคยพบแล้วเคยรู้ที่พบรู้ที่ไปปรุงแต่งเนี่ยแต่มันเซี่ยวดีๆเดียวเราก็พอไปเห็นปุ๊บอยากได้อยากได้อยากได้อยากได้เลยเหมือนเด็กอะไม่เคยเจอของเล่นดีพอไปเจอของเล่นเขาอยากได้อยากได้อยากได้กด็พล า, าไดๆๆๆๆ ไ, ปไปอีกอ่ะกลับมายึดใจทีอีกแล้วกลับมายึดใจที่ไปปรุงแต่งเฮอยากจะให้เป็นใจที่ไปปรุงแต่งแต่นนี้ก็เลยปรุงแต่งตลอดเลยเออพอปรุงแต่งตลอดเลยไม่ต้องกลับมามีสติตั้งที่ใจอีกเอ่ยกลับมามีสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจไล่ใจปล่อยวางที่ใจ ่กล <reproduce. S 1> ับมาตั้งที่ใจอีกไม่ไปไม่ไปอยู่กับสิ่งที่ปรุงแต่งเอกลับมาที่ประตูใจใหม่แล้วก็ทําอย่างเงี้ยไปเพียนเพียนไปเดี๋ยวก็มันก็แบบเดียวเนี่ยตอนที่ขนาดนั้นเราจะไปก้มหยิบอะไรอีกหรืออยู่ๆเนี่ยไม่ทันจะลืมตาเนี่ยอ่ะมันรู้สึกตัวขึ้นมาัไม่ทันจะลืมตาแล้วไม่ทันจะตั้งใจคิดอะไรแล้วไม่ทันตั้งใจจะทัตติตั้งที่ใจอยู่ๆมันคิดขึ้นมาเองเพอไปเห็นอีกอ่ะไอ้ผู้ที่ประเด็นคิดมาเองอ่ะมันกลับไปรู้ขึ้นมาเองมันไอ้ตัวเนี้ย ทีเนี้ยมันเห็นแล้วเนี่ยมันเริ่มเห็นว่ามันมาพร้อมกับความคิดเลยถูกต้องมันมาคู่กันแบบทุกครั้งเลยก็ถูกต้องแต่เพราะว่ามันมาคู่กับไอ้คิดที่คิดที่ไม่ปรุงแต่งและรู้นั่นก็รู้รู้คิดนั่นแหนะแต่รู้นั้นไม่ปรุงแต่งมาคู่กันอ่ะคือต้องเราก็ต้องรู้อย่างนี้ไปเหรอคะไม่มัามาลุอีกมันจะกลับไปจะกลับไปยึดอีกกลับไปยึดไอ้ผู้รู้อีกพยายามจะให้รู้ที่ไม่ปรุงแต่งอีกแต่ก็ ก็ทําอย่างนี้มาอีกแต่มันก็จะถี่ขึ้นแหละเพราะเราเคยเห็นหน้ามาแล้วเราเห็นหน้าที่ไม่ปรุงแต่งแล้วอยู่ๆเราก็ขี้เกียจจะปรุงแต่งแล้วขี้เกียจจะปรุงแต่งรู้ขี้เกียจจะปรุงแต่งคิดขี้เกียจจะปรุงแต่งรู้ขี้เกียจจะปรุงแต่งคิดตรงนี้นะเพราะเรารู้แล้วว่าไอ้ตัวที่มันไปปรุงแต่งรู้ไว้มันคือตัวปรุงแต่งอันนี้คือก็ทางเดินมันเป็นอย่างนี้ใช่ใชเราเริ่มมีสติปัญญามากขึ้นแล้วเริ่มสังเกตออกแล้วไอ้ตัวที่ปัญยาไปปรุงแต่งรู้ไว้มันคือปรุงแต่ง เพราะจะใช้คำว่ารู้รู้แบบเป็นธรรมชาติอยู่ๆก็รู้ขึ้นมาเองอย่างดีนะเด็กี่เขาเรียกว่ารู้ธรรมชาติบางคนเขาก็เรียกว่าไอ้ที่มันรู้ปรุงแต่งมารู้ไว้นี่ยคือสติตัวปลอมแต่ไอ้ที่อยู่ๆมันรู้ขึ้นมาเองเรียกว่าสติตัวจริงบางคนก็เรียกแบบนี้มีสติปลอมกับสติตัวจริงเอมีกับไปคิดปลอมกับคิดจริงยอยู่ๆมันคิดกันมาเองไอ้คิดปลอมคือมีตัวเราผสมนะเลยกลายเป็นเป็นคิดปลอมขึ้นมาจากไอ้คิดจริงจริงคือมันเป็นขันห้าแต้แฉแยกกันยากมาก ต้องเห็นหลายๆที่ถึงจะแยกออกเออต้องต้อ ง, ต, องต้องเห็นบ่อยๆเพราะเห็นไม่บ่อยปุ๊บเนี่ยตอนแรกเขาถึงบอกว่าพบใจพบธรรมแต่ตอนเป็นพระนิพพานคือถึงใจถึงพระนิพพานพระอรหันต์ท่านเห็นแบบอย่างนี้ตลอดทุกรู้เลยเหคะไม่ไม่ไม่ไเฉพาะนี่มันเอ๋ที่ตาพูดนี่มาถึงแบบว่ามันเป็นขั้นที่พูดที่ไม่เห็นจริงๆนอะ คือไม่เห็นละเอียดอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าทุกคนมาเห็นละเอียดอย่างงี้ได้นะเพราะว่าทุกคนก็ไปพิจารณาบางคนก็ไปพิจารณาร่างกายไตเน่าเปลือบบุพเพาณเน่าเน่าเน่าเน่าไปอีกแบบหนึ่งเออหรือบางคนไปพิจารณาอย่างอื่นแล้วแต่แล้วแต่อะไรเออแต่ถ้าใครเนี่ยมาฟังเราเข้าใจเราเห็นตรงเนี้มันสามารถเห็นได้เลยเข้าใจทําไปเลยเออแต่ถ้าใครฟังเราตรงนี้ไม่เข้าใจเนี่ยอย่างงอย่างเช่นเน่เออพวกที่ฟังเราตรงนี้ไม่เข้าใจนะก็ ไม่ฟังเ อ, อเรื่องแก่เจ็บตายหน้าเปลือยผูพังอันนี้ก็จะ ง, ง่ายก็จะง่ายขอยงเขาคือว่าเขาเคยพอจะฟังออกว่าความแก่เป็นยังไงความเจ็บความตายหน้าเปลือยผูพังเป็นยัง ไ, ไงเขาพอจะพลึกออกแต่บางคนเขามาฟังอย่างเราได้ฟังไม่ออกนะเราไม่รู้เรื่องแต่คนไหนฟังรู้เรื่องก็คือมันก็ ง, ง่ายไปเลยมันก็ ง, ง่ายไปเลยแล้วเราก็เนี่ยสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจรับที่ใจปล่อยวางที่ใจตลอดเวลาเนี่ย อ๋อเราก็ไม่ต้องย้อนกลับไปดูเผาอีกแล้วออไม่ต้องเพราะว่ามันเข้ามาตรงนี้แล้วก็เพียรที่ใจอย่างเดียวดูประตูใจเราอย่างเดียวใช่ใชเหมือนเป็นหลวงปู่ทาท่านว่าสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจป่อยวางที่ใจใ ช, ใช้ใช้คํามากกว่านี้คือก็คือที่ใจแหละอะไรก็ที่ใจแต้เนะี่ยอันอื่นมันไม่ไม่ไวเท่าใจใจเนี่ยสําคัญสุดแล้วเอ อ, เ อ, อถูกต้องแล้วค่ะคือคือไอ้ไอ้ที่เนี่ยก็คืออยู่บางท่านใช้คําว่า อยู่ที่ผู้รู้เนี่ยสติอยู่ที่ผู้รู้อยู่ที่ผู้รู้อย่าทิ้งรู้อย่าทิ้งรู้ถ้าพูดตรงไอ้สติตั้งที่ใจไม่รู้เรื่องก็คืออย่าทิ้งรู้อย่าทิ้งรู้ไปสิ่งไปหาสิ่งที่ถูกรู้ไปนัันขาดทุกขณะปัจจุบันน่ะที่รู้อะไรอยู่กับอยู่กับรู้อย่าทิ้งรู้เนี่ยที่ที่มดเนี่ยที่เป็นผู้จัดการเด่นน่ะไปหาลุงปู่อาว่านกลับมาเนี่ยเออที่ลุงปู่เอาว่านเขาบอกว่าให้ให้การบ้านมาสองอย่างหรือสามอย่างที่บอกว่าอย่าทิ้งรู้กายอย่าทิ้งรู้อย่าทิ้งรู้ อย่าทิ้งกายอย่าทิ้งรู้เดี๋ยวนี้ไอ้เรื่องกายเนี่ยก็บาบอกเข้าใจะแล้วอย่าทิ้งรู้หมดเขาไม่เข้าใจว่าเขาบอกให้ช่วยอธิบายขยายความตรงนี้อย่าทิ้งรู้ที่เราบอกอ๋อตรงนี้เองที่หลวงปู่ว่านบอกว่าอย่าทิ้งรู้คือถ้าทิ้งรู้ปุ๊บมันก็จะไปไปสิ่งที่ถูกรู้ทันทีค่ะอย่างเวลาที่นอนหลับเนี่ยมันเป็นคิดหรือเป็นเป็นตัวรู้ที่เป็นเพราะบางครั้งเหมือนว่าเราก็ไม่ได้ไปตั้งใจแล้วนอนไปแบบจะเชื่แล้วมันอยู่ๆมันก็ผุดขึ้นมาอย่างค่ะหลวงตาง จะอยู่มันได้จะอยู่ๆมันฝึกกันมาเองแล้วก็แล้วก็พออยู่ๆมันึกกนเองแล้วก็ไม่มีใครเข้าไปไปไปไปร่วมวงไพ่บุญด้วยม่มีความรู้สึกว่าเปตัวเราไปร่วมผสมลงกับกับความคิดนั่นแหละไอ้มันสังเจตได้คือไอ้ผู้รู้เนี่ยมันไม่มีตัวตนเลยมันจะว่างเปล่าไปเหมือนใจมันเหมือนกับไม่มีตัวมันไม่มีน้ำหนักไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่าอันนั้นคือมันเห็นไอ้คิดที่คิดกันเองรู้รู้คิดที่คิดกันเองแต่ถ้า ถ้ามันมันคิดอะไรไปก็รู้ไปคิดไปก็รู้ไปแต่มันไม่ใจไม่ได้ว่างเปล่าอะไรมีน้ำหนักอยู่อย่างนี้อันนี้คือเราเนี่ยมีตัวเป็นผู้หลงคิดเป็นผู้หลงคิดแต่ที่ที่เห็นคิดขึ้นมาเองเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดเนี่ยมีตัวเราเข้าะสมเนี่ยมันความรู้อันนั้นมันเหมือนกับโอ้โหบางที่มันเหงื่อเหงื่อการแตกเลยมันว่างว่างไปเหงื่อการแตกหมดเลยพรบางทีมันไม่รู้ว่ามันมันคิดอะไรแค่เหมือนว่ามันมีเรื่องขึ้นมาแล้วมันก็ คล้ายๆมันจะมีเหมือนกับมันความรู้อันนั้นมันเหมือนกับเหมันเอ๊มันอยู่ๆมันไอที่มันรู้ขึ้นมาเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจรู้เนี่ยแล้วมันมันคิดขึ้นมาแล้วอยู่ๆไปรู้อันเนี้ยมันไม่ไม่มีความรู้สึกว่ามันมีตัวตนของผู้รู้มันคือมันใจมันมันมันว่างไปเลยอ่ะมันมันเหมือนกับโลกธาตุมันระงัดไปเลยมันขูมันดิ้งไปเลยอย่างเงี้ยมันดิ้งไปเลยเหมือนกับโลกธาตุมันรงัดไปเลย ใไมันเงียบไปเลยอ่ะมีแต่ความคิดกุดุกุดิ๊กุดุกุดิ๊กะดุกะดิ๊กุดุกุดิ๊กุดุกุดิ๊กุดุกุดิ๊กุดุกุดิ๊กุดุกุยแ๊กุดุกุดเ๊กุดุกุดิ๊กุดุรุดิ๊กุดไกุดิ๊กุดุกุดิ๊กุดุกุดิ๊กุดุกุดิ๊กุดุกุดิ๊กุดุนุดิ๊กุดุกนดิ๊กุดมันดิ๊กุดุกุดิ๊กุดุกุดิ๊กุว่าค <c oughs> ิ issue, ๊กิดุกุดิ๊มุดุกุถไฟความเร็วสูงแล้วเรากุดุกุดิ๊กุดุกุดป๊กุดุกุดิ๊กุดุก เ, เ, เราเรารู้เรารู้เรารู้ไปกับความคิดติดไปกับความคิดอันเนี้ยคือมันคิดอะไรก็รู้หมดคิดอะไรก็รู้หมดแต่เนี่ยถ้าเราเปรียบความคิดนั่นเหมือนความรถไฟความเร็วสูงอันนี้คือเราขึ้นไปบนรถไฟความเร็วสูงแล้วเราก็เราก็รู้รู้บนรู้บนรถไฟความเร็วสูงนั่นเองรู้ในบนรถของความคิดอันนี้เราติดไปแล้วถ้าเราเป็นอย่างเงี้ยวิธีแก้คือให้กระโดดลงจากรถไฟคือรู้สึกตัวใหม่เอาใหม่เอาใหม่ต้องรู้สึกตัวเรื่อยๆเอาใหม่เอาใหม่ใหม่อย่างเงี้ยต้องก็ต้องทําใหม่เหมเรื่อยเอาใหม่เรื่อยรู้สึกตัวเอาใหม่อย่างนี้หลงไปแล้วคือ เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่รู้สึกตัวใหม่อันนี้ก็หลงเอารู้สึกตัวใหม่รู้สึกตัวใหม่เรื่อยๆรู้สึกตัวใหม่เรื่อยะอันนี้คือหลงคิดไปแล้วเราก็รู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาแค่นั้นแหละแต่ถ้าเราเนี่ยไปพยายามหาหาคิดที่มันมาแหะที่มันเนี่ยดีขึ้นมาโดยไปโดยไปหาพยายามหาคิดที่มันไม่ปรุงแต่งแล้วพยายามไปหารู้ที่ไม่ปรุงแต่งอย่างนี้จะหลงตลอดเลยเออแต่แต่เราก็จะรู้ตัวเองไงว่าเออหลงแล้วนี่หว่าเนี่ยไปหลงหาคิดที่ไม่ปรุงแต่งหลงพยายามจะไปให้มันรู้ที่ไม่ปรุงแต่งอันนี้เราก็จะหลงคิดปรุง เราก็จะรู้เองอ่ะเราก็จะมาเฉลียวใจที่หลังอือไอ้นี่มันเราหลงไปตลอด้วยว่ะเราก็จะเลิกละเลิเลิกเลิกเลิกเลิเลิกจะพยายามหารู้เลิกพยายามจะไปหาคิดที่ไม่ปุงแต่เลิกพยายามหารูเราก็เลิกเลิกเิกเเอ่อเลิเดี๋ยวเอาใมอีกแล้วเราก็คิดใหม่อีกแล้วก็เลิเลิกเลิกเลิกเราก็จะรู้ตัวเรื่อยๆงั้นตัวนี้มันก็ยังมีอยู่ทุกทุกขณะจิตแต่เราไม่เห็นมันใช่ไหมครัหลวงตามันมีอยู่แล้วแต่เราได้หลงไปปุงก็เลยบังตาเขาเรียกว่าเอาวิชาเอาวิชามาบังตาใจ Um, มันมีอยู่แล้วมันเหมือนอวิชชาเนี่ยมันเป็นม่านได้เฉยเหมือนกับว่าไอ้เนี่ยไอ้ความว่างความว่างในในบริเวณในกุฏิเนี่ยกับความว่างข้างนอกเนี่ยเออมันมีม่านอว่างได้เฉยเนี่ยมันมีม่านปิดอย่างเงี้ยอวิชชาเนี่ยเป็นเพียงม่านแต่ไอ้ใจที่ใจเนี่ยหรือจิตเดิมแทแท้เนี่ยเป็นความว่างที่เป็นความว่างเหมือนเดียวเหมือนหนึ่งเดียวกับว่างของอากาศข้างนอกเนี่ย ไอ้ความว่างอากาศข้างนอกเนี่ยใจมันเหมือนกับความว่างอากาศนอกมันมีอยู่แล้วแต่กับไอ้ขันหคือจิตที่กรุกกนิกกรุกกระลิกนี่ไอ้จิตที่กรุกกระิกแกไอ้ความว่างเนี่ยมันมีแล้วอยู่ด้วยกันแต่มาเนี่ยอาวิชามาบังมานก็คือว่าเราหลงไปเอาตัวเราไปปรุงแต่งซะหลงไปไปคนเอาตัวเราไปคนคิดเอาตัวเราพยายามคิดเอาตัวเราพยายามรู้พอมันสิ้นเอาตัวเราพยายามคิดสิ้นเอาตัวเราพยายามรู้เอาวิชาดับปุ๊บม่านเปิดเลยปุ๊บพบใจที่ว่างเปล่าเลยเสียยวนาทีเดียวนั้นที่บอกว่าพอมัน มีความคิดที่ไรเจตนาเกิดขึ้นผู้รู้ที่ผู้รู้ก็รู้โดยไร้เจตนาปุ๊บใจมันว่างไปหมดเลยเพราะว่าใจผู้รู้เป็นความว่างหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจักรวาลส่วนความคิดขันห้าคงยังมีชีวิตอยู่มันก็เลยขันห้าเกิดดับในใจที่ว่างเปล่ามันก็เลยเหมือนกับโลกธาตุมันสั่นไปเลยกันเพราะเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลโลกธาตุเป็นมหาสุญญตาแต่มันเป็นเสี้ยววินาทีเดียวแวบ๊บเดียวแล้วก็หายไปแต่บางคนอาจจะทีเดียวก็ขาดไปเลยก็ได้มันจําเป็นว่าต้องหลายที ขอกับหลวงตาช่วยอ่ตอบอชื่อได้บอกชื่อได้บอกชื่อผมผมแจกคฮะจะได้รู้ถูกตัวหน่อย ต, อต่อในเรื่องของอวิชชาที่ที่เมื่อกี้ที่ที่อ่าคุณดาวะฮะที่หลวงตาสอนเมื่อสักครู่เนี้ยตอนนี้หลวงตาที่บอกอ่าหลวงตาบอกอวิชชามาบังตาใจตอนนี้พอผมดูมีสติตั้งตั้งอยู่ที่ใจดูอยู่แต่ว่า ด้วยความลึกๆที่เราหมายไว้ว่าอาวิชชาเนี่ยเป็นตัวปัญหาเพราะฉะนั้นเราเลยจะต้องไปจัด ก, การกับวิชาเนี่ยครับกล่าวขอการหลวงตาช่วยอธิบายตรงนี้ให้ชัดๆนะฮะว่ามันผมมันหมายถึงยังไงบ้างะครับคือคืออย่างอย่างอย่างที่ท่านพูดเนี่ยคือดาวกําลังเป็นอยู่ตอนเนี้ใช่ไหมเนี่ยดาวกําลังเป็นอยู่ตอนนี้นนนนนคือมันเกิดไอความรังเกียจอวิชา มันเกิดความลังเกียดผู้รู้ที่ปรุงแต่งเกลียดลังเกียดความคิดที่ที่ปรุงแต่งมันหมายไว้จะไปยึดความรู้ที่ไม่ปรุงแต่งความคิดที่ปัความคิดที่ไรจิตนาผู้รู้ที่ไรจิตนาแล้วก็มันเกลียดวิชาจะไปเอาวิชาอันนี้มันมันก็คือมายึดฝั่งนี้แต่ไปยึดอีกฝั่งหนึ่งไว้อย่างเงี้ยเราต้องอ่านใจเราให้ขาดพราะไม่มีฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วจะเป็นยังไงฮะอืม ความไม่รู้ก็เป็นหน่ววิชาพอรู้แล้วว่าอะไรจะเป็นอะไรหมายไว้ก็เป็นหน่ววิชาซึ่งมันก็จะเป็นเ อ, อส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างงี้นะคะใช่พอพอมันพอมันรู้อย่างงี้มันก็อ่ะจะไปแล้วพอมันรู้อย่างนี้มันก็ะจะไปตามใครแล้วธรร ม, ม, มชาติเลยถ้าไม่เห็นสองฝั่งจะไม่ไม่พบมาชินมาปฏิปทาขออนตญางแต่ เมื่อเชิงวันผมชอบใจที่ที่หลวงตายกตัวอย่างอุปมาอุปไม่ตอนที่ว่าเราอ่ยกระโดดขึ้นรถไฟความเร็วสูงอ่ะผมผมผมชอบใจตรงที่ว่าเมื่อเรานั่งรถไฟไปไม่ยอมลงเนี่ยเราจะเห็นความจริงส่วนทางกันหมดเลยทั้งทังที่ตัวเราเนี่ยเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าพวกต้นไม้อาคารบ้านเรือนเนี่ยมันอยู่เฉยๆแต่มันวิ่งตลอดมันเป็นมายาที่มันสวนทางกันบ้างเอง ผมอยากกเลี่ยนหนุ่มแต่อธิบายอีกทีครับคือถ้าถ้าเราเป็นผู้รู้ที่มีความพยายามเนี่ยเราพยาพยามพยาพยามพยายามพยายามเนี่ยมันจะกลายเป็นผู้รู้ที่ปรุงแต่งเราจะกลายเป็นผู้รู้ที่เคลื่อนที่มันจะเปรียบเหมือนว <c oughs> ่าเราอะพอเป็นผู้รู้ที่เคลื่อนที่พวกมันจะเป็นผู้รู้ที่บนรถไปความเร็วสูงของความคิดคือผู้รู้ที่เกิดมาจากความคิดปรุงแต่งคือความคิดปรุงแต่งตั้งใจรู้พยายามรู้พยายามจะให้มันเป็นพยายามจะละฝั่งนี้ไปเป็นฝั่งนี้เออย่างี้ก ก็คือว่ามันเป็นผู้รู้ที่ปรุงแต่งมันก็กลายเป็นผู้รู้ที่เคลื่อนที่อยู่บนรถไฟความเร็วสูงดังนั้นมันก็เลยไม่ไม่พบความจริงมันจะพบกฎธรําความจริงได้มันต้องผู้รู้ต้องไม่เคลื่อนที่ผู้รู้ไม่เคลื่อนที่ก็คือผู้รู้ที่ไรเจตนาอะไรเงแล้วแล้วอย่างนี้นะครสมมติว่าที่ที่พี่เขาถามไปเรื่องผู้รู้เคลื่อนที่นะครับตอนนี้บากฐานของของการที่ จะรับรู้ได้ยังไงครับหลวงตาว่าณวินาทีนี้เนี่ยผู้รู้เราเราติดขบวนแล้วเราคือในขณะที่บางคนเนี่ยอ่านอ่านไม่เต็มอ่านตัวเองไม่เต็มอย่าเงี้ยแล้วก็พยายามเขาสอนให้รู้คือทั่วไปเขาสอนให้รู้แล้วก็รู้รู้รู้รอย่างเงี้ยก็ก็พยายามมีสติรู้แล้วก็ยิ่งมุ่ยิ่งเพี้ยนก็ยิ่งยิ่งพลาดไปกันใหญ่เลยอย่างเงี้ยฮะตอนนี้ยตอนนี้นมันมีจุดสังเกตยังไงครับหลวงตาครับไม่ตายก็คือวางหมด วางผู้รู้วางผู้รู้ทุกหมดไอ้ที่ผู้รู้เคลื่อนที่ไม่เคลือ่อนที่เราหมายว่าเอ๊ะ e นี่ผู้รู้ไม่เคลื่อนที่ป<อ>่ะวางให้หมดเลยที่นักปฏิบัติส่วนใหญ่ที่มากราบหลวงตาหลวงป่ า, ปาวางต่อหน้าเลยได้ไหมถึงไม่วางเลยไม่ต้องถามเรื่องอื่นในวางเลยได้ไหมนี่ส่วนใหญ่ที่ที่พาดพาดจะมากราบคือเป็นแบบนี้ป่ะครับที่มาวางต่อหน้าเราก็คือเราสกัดนะเราสกัดไอ้ที่มันปุงปรุงอยู่นะเราสกัดจนกระทั่งปรุงไม่ได้แต่มันก็ แล้วจากสติปัญญาของเจ้าตัวด้วยว่าที่เราสกัดหยุดแล้วมันจะไปต่ออีกเปล่าคือเราสกัดหมายถึงว่าให้ให้เห็นว่าตัวเองกำลังปรุงอะไรอยู่หลงปุงอะไรอยู่หลงปุงอะไรอยู่หลงปุงตัเองไม่รู้ไงเราก็ชี้ให้ขนาจิตว่าเนี่ยมันหลงปุงอันนี้หลงปุงอันนี้หลงปุงอันนี้หลงปุงอันนั้นแล้วจนทับปุงไปไม่ได้ปุงอะไรสิปุงอะไรขึ้นมาก็เข้าเนื้อหมดเลยถามอะไรก็มาเข้าเนื้อหมดปุงอะไรก็มาไม่ทันปุงก็โดนแล้วเนี่ยไม่ทันเลยไม่ทันจะไม่ทันจะเท้าหรือวก็ปรุงไปยึดอีกฝั่ เราเราก็ดักหมดเนลยดักหมดเลยไม่ได้ปรุงไปยึดธนาคตไว้ปรุงไปยึดไปยึดไอ้ที่จะไม่ปรุงอ่ะไปยึดไอ้ที่จะไม่ปรุงไว้แต่เราไปยึดที่จะไม่ปรุงไปยาวไปหายที่จะไม่ปรุงไว้ไปยึดได้ก่อนดักได้ไว้ก่อนเนี่ยนี่ไมันพูดออกมากัมันก็ดักไปแล้วดับไปดักมาดักไปแต่จะปรุงไม่ได้แล้วที่สุดอะมันก็หยุดสนิทจริงๆทั้งไอ้รถไฟที่เคลื่อนที่ด้วยทั้งไอ้ผู้รู้รถไฟก็หยุดสนหมดเลยอมันหยุดหมดทั้งรถไฟก็หยุดทั้งไอ้ผู้รู้ก็หยุดเพราะมันไปไม่ได้ไงแต่มัน ไปไม่ได้เป็นเพราะว่าเราช่วยดักให้แต่ถ้าเขามีปัญญาสติปัญญาพร้อมปุบ๊บเขาก็หยุดเดี๋ยวนั้นเองได้ในตัวเขาเลยแต่ถ้ามันออกจากเราไปแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่มีสติปัญญาพร้อมเขาก็จะไปปรุงเองแต่ถ้าเขาเข้าใจมาตลอดที่เราสอนเนี่ยเขาก็จใจตลอดว่าอะไรคือปรุงอะไรคือหลงหลงลงปรุงหลงปรุงหลงปรุงเข้าใจมาตลอดแล้วแล้วเราดักไปดักมาเขาก็หลอ๋อ ห, หลงอีกแล้วอ๋อหลงอีกแล้วเขารู้ด้วยตัวเขาเองอ๋อเองอ๋อเองไม่ใช่ว่าเรามาเรามาตัดเขาไป แต่เขาหยุดโดยดี่เขาไปเขาไม่ได้หยุดได้ตั้งใจเขาไม่เห็นแต่พอบอกให้อย่างดาวเนี้ยพอเราบอกว่าอันแน่เราไปยึดอีกด้านหนึ่งแล้วอะไรเนี้ยอ๋อใช่เลยอย่างเงี้ยอย่างงี้คือมีปัญญาได้เห็นด้วยตัวเองรู้เองอยู่เองแล้วก็ยอมรับด้วยตัวเองแล้วมันจะอย่างเงี้ยหายหลงหายหลงไปเรื่อยๆหายหลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งแล้วกระทั่งก็จะฝึกเองได้แล้ฝึกเองได้เออยังพลิกไปพลิกมาเพราะว่าเราดักให้เราดักให้เดี๋ยวจะกลับมาโดนพลิกไปพลิกมาเราก็ดักอีกดักอีกดักอีกก็ ต่อไปมันก็จะเห็นเองคือตอนนี้อย่างอย่างดย่างดาเนี่ยคือแทบจะกระดิกตัวไม่ได้เลยในใจเขาเขารู้เองอ่ะแต่เขาเขารู้เองพอพอเราเราดักบ่อยๆแล้วเขาก็มีปัญญาบวกด้วยเนี่ยเขาก็ก็คร้มจะกระดิกอะไรหน่อยก็แต่ไอ้เลยออกจากเราไปแล้วก็อาจไม่รู้นะแต ы, <qué> ่อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยก็คือว่ามันมันกระดิกไม่ได้ไงกระดิกอะไรก็ไปได้กระดิกอะไรไปหน่อยไปฝั่งฝ่ายฝั่งขวาฝังฝ่ฝั่งขวาโดนเรา แล้วถ้าสมมติว่ามันมันอยู่ข้างนอกแล้วมันมันมีสภาวะแบบเนี้ยบางทีมันก็ต้องเหมือนกับว่าจนกระทั่งมันเหนื่อยอะค่ะหลวงตาแล้วมันก็บอกว่าไม่เอาแล้วทิ้งไม่เอาแล้วเหนื่อยไม่ได้แบบนั้นก็ไม่ได้ต้องไม่ได้ <he en S 1> ใช่รับต้องเห็นด้วยใจจริงมั น, มนต้องวางพุงจริงวางไปเรื่อยๆคือเราเห็นได้ที่มันขยับไปเรื่อยๆแล้วก็วางไปเรื่อยๆเห็นอ่ะหลงอีกแล้วหลงอีหลงอีกแล้วเออดีก็หลงอีกแล้วต้องเห็นได้ตัวเองอ่ะคือไอ้ตอนเนี้ยมันก็อะหลวงตาเป็นตติปัญญาให้ หลงอีกแล้วอหลงอีกแล้วหลงอีกแล้วเราตอบไปต้องปเป็นสติปัญญาได้ตัวเอ ง, ง, งอ่ะเราเห็นได้ตัวเองว่าอ่านี่ก็หลงอีกแล้วนี่ก็หลงอีกแล้วไม่ได้อาจารย์เป็บอกเลยตอนนี้ถ้าอยู่ตอนหน้าหลวงตาต่างตาก็จะสอนสอนเราทํากันบ้านก่อนถึงเวลามีสติปัญญาเราก็กลับไปกลับไปใช้ปัญญาที่เรียนรู้ต่อหน้าหลวงตาเนี่ยเรียนรู้จิตใจตัวตตเองใช่ใช่กลับไปดูต่อครับสําคัญคือต้องต้องต่อหน้าก็ต้องเข้าใจด้วยแล้วก็กลับไปเนี่ยก็ต้อง ไปดูตัวเองต่อด้วยใช่เธอต้องเพียรต่อเล ย, เ, ลยเพราะว่ า, ถ, ถ, าถ้าเว้นพ<ว>อออกจากเราไปแล้วเว้นแล้วทิ้งไปเลยนะ ม, นมันก็จ ะ, จะลืมไปลืมไปแล้วหลงอย่างเดียวเละหลงอย่างเดียวเลยค่ะ<อ>ตาตาแล้วถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าพอเราเรู้แล้วเฮ้ยนึกขึ้นมาได้เราพลิกเลยได้ไหมคะเราเห็นว่าเฮ้ยเราลงไปเป็นขันแล้วอะไรเราลงก็ถูกต้องก็ต้องอย่างนั้นนั่นเรียกว่าเราหลงคือเราไปความเร็วสูงแล้วต้องกระโดดลงคือเออหลงแล้วดีว่าเนี่ยก็พลิกลงเลยแล้วใหม่เดี๋ยวก็หลงอีกลงไหม่อีกหลงก็เราไปความเร็วสูงอีกคือเราไปความคิดอ่ะ ก็กระโดดลงอีกออ่าลงอีกแล้วเฮ้ยอ่ะลงอีกแล้วอะไรเงี้ยตัวเฉลียวใจแล้วออทุกทีเราก็กระโดดลงเลยแต่มันวัยมากเลยนะคะลุงตาอ๋อแน่นอนคือเราก็ต้องพอแค่กระโดดลงลงอีกกระโดดลงแล้วก็ลงอีกนี่เรื่องปกตินะแต่สติปัญญาเราจะเรื่องเร็วขึ้นด้วยการที่เราเห็นเขาเนี่ยหลงบ่อยหลงบ่อยเรายิ่งเห็นหลงบ่อยเท่าไหร่ยิ่งฉลาดเท่านั้นสติปัญญามีฉลาดเหมือนคนที่ทําคือทําธุรกิจการขายน่ะ แล้วก็ได้รับบรลลกจากพ่อแม่มาแล้วก็ยังไม่ได้ผ่านประสบการณ์เลยแล้วก็พ่อแม่ปล่อยวางหมดเลยหรือเกิดหรือเกิดเราพ่อแม่ทิ้งไปเลยเนี่ยแล้วอยู่รับบรลลักทําการค้ามาเลยเนี่ยส่วนใหญ่เจ๊งหมดไปไม่รอดเพราะว่าไม่ได้ผ่านจากการหลงการเรียนรู้ที่ล้มเหลวที่ลม้มลมล้มผ่านมีปัญหานั้งผ่านในผ่านการแก้มาอย่างโชคชนแล้วก็จะยิ่งมั่นคงเก่งขึ้นเก่งขึ้นแต่ถีที่ที่ร่ารวยเนี่ยล้วนแต่ดูจากประวัติแล้วล้มมาตั้งหลายครั้งผ่าดพังมาหลายครั้งล้มมาหลายครั้ง แล้วก็จะมีสติปัญญาเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นพิแต่คนที่ไม่เคยล้มเลยไม่เคยผิดพลาดไม่เคยมีปัญหาเลยได้รับมรดกมาเลยเพราะแม่สิ้นไปเสียไปส่วนใหญ่ขายไปไม่รอดเพราะว่าไม่มีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์เรียนรู้จากความล้มเหลวอันนี้มันการแนี่ยเราล้มแล้วอย่าเครียดพลาดทางขึ้นรถไฟความเร็วสูงไปแล้วเออมันลงคิดลงมีอารมณ์ลงคิดลงมีอารมณ์แล้วอย่าเครียดไอ้นี้เนี่ยมันจะทําให้เราฉลาดทําให้เราเก่งแข็งแกร่งขึ้นเออ เราก็โดดขึ้นรถไฟความแร็วสูงไปมีความคิดมีอารมณ์เลยว่าเอาไปมอาไปลงลงลเลิกเลิกเิเอาขึ้นอีกแล้วรถไฟความแร็วสูงแล้วเห็นว่าเป็นเนี่ยมันจะทําให้เราฉลาดและทําให้เราเนี่ยต่อไปไม่หลงอีกเพราะเราหลงก็จนเราไม่หลงอีกแล้วหลงก็จะหลงหมดแล้วทุกรอบทุกหน้าเลยแล้วต่อไปเราเห็นมันหมดเลยหลงอีกแล้วนี่ก็หลงอีกนี่ก็หลงอีกนี่ก็หลงอีกหลงอีกแล้วสุดละมันเนี่ยหลงจนไม่มีอะไรจะหลงแล้วเออมันก็เลยไม่หลงหนูบอกว่าพ่อหลงๆเฮ้ยโลกโลกไป่ใช่โลกล้อลิงนะโลกล้อเริ่่่มแชคะหลงตา ในใจเราเนี่ยถ้าเราเซี่ยวนนาทีเดียวเราไม่เห็นว่าในใจเราเนี่ยพูดได้บ่นได้ทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดเนี่ยพูดได้บ่นได้แม้แต่เซี่ยวนาทีเดีย ว, ยวไปเห็นแต่เฉยเฉยนิ่งนิ่งเฉยเยว่างๆอันนั้นหลงแล้วต้องให้รู้ตัวเลยต้องรีบขยับตัวเลยรู้สึกตัวเลยแล้วเข้าหาผู้รู้เลยว่า ว, าวิธีแก้ ว, วิธีเดียวคือเข้าหาผู้รู้ว่ะใครเป็นคนรู้เฉยรู้นิ่งรู้ว่าเข้าหาผู้รู้ทันทีแล้วพอเข้าหาผู้รู้เจอปุ๊บมันก็จะเจอไอ้ผู้รู้ที่คิดได้บ่ได้พูดได้้ออ่าวาไดดตตลลเเเววีคืัร วิธีเนี่ยที่จะหลุดลอดจากทุกอย่างเนี่ยหลุดลอดจากรูปหลุดลอดจากเสียงหลุดลอดจากกินจากดสจากสัมผัสจากอาการของใจทุกชนิดเนี่ยวิธีเดียวเลยเข้าหาผู้รู้รอดหมดเพราะว่าหนูก็ถามตัวเองว่าใครรู้ใครรู้อพอพบผู้รู้เราผู้รู้พุบเราละพากเราพูดเราบ่นอยู่ในใจตอนนี้มันก็ขยับแหละเห็นใ้ตัวเราเนี่ยขยับขยับพูดขยับคิด ข, ข, ข, ขยับมันก็จะไม่ไปติดต <được> ิดกันถูกรู้ทั้งหมดถ้าเข้าหาผู้รู้เนี่ยจะหลอดพอเข้าหาผู้รู้พบผู้รู้เสร็จแล้วเขาจะนึกบอกว่าไอ้ข้าผู้รู้ปล่อยว่าผู้รู้ก็คือเนี่ย ปล่อยวางผู้รู้ตรงนี้เนี่ยก็คือไอ้ผู้รู้ที่พูดได้ผู้รู้ที่พูดได้เราก็ปล่อยวางผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้ที่พูดได้ที่คิดได้ติกต้องไายที่พบผู้รู้ค่าผู้รู้หรือปล่อยวางผู้รู้เนี่ยคือไอ้ผู้รู้ที่พูดได้เนี่ยเนี่ยอย่าไปยึดเอาเป็นตัวเราตัวตนของเราอย่าไปยึดเขาปล่อยวางเข้าไปปล่อยให้มันอ่ะเป็นผู้รู้ที่พูดได้ไปพร้อมไปขันห้าเป็นวิญญาณขันทางานร่วมกับเวทนาสัญญาสังขารบริกรรมเป็นทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดทั้งถูกใจไม่ถูกใจท ทางส่งต่อคิดปรุงปรุงคิดคือต่อส่งต่อสังขารมันเป็นธรรมชาติของการ ก, กระบวนการทํางานของขันห้าไอที่รู้คือวิญญาณขันจิตวิญญาณขันไอที่มันมันรู้สึกถูกใจไม่ถูกใจไป็นกาเป็นเวทนาขันแล้วมันจําได้หมายรู้เป็นสัญญาขันเป็นสังขารคือคิดปรุงปรุงคิดว่าอะไรเป็นอะไรคนค น, like, นี้เป็นของคนนี้คน น, นี้รู้จักอันนี้รู้จักรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าอันเนี้ยมันเป็นกระบวนการทํางานของขันห้าไปตัดตอนไม่ได้ค่ะพอเราเราแล้วปล่อยวางมันตลอดเวลานะะปล่อยวางพอเจอผู้รู้แล้วไอผู้รู้ที่คิดได้ มีความรู้สึกได้เนี่ยปล่อยวางมันหมดเนี่ยปล่อยวางตลอดเวลาปล่อยวางตลอดเลยนะพอเราเห็นว่าเราบอกว่าเอ้ยใครรู้เราแค่แค่มองว่าเออเราบอกกับตเองว่าใครรู้แค่นั้นแล้วก็ปล่อยผ่านไปเลยไม่ใช่ก็ต้องเห็นผู้รู้ที่คิดได้ที่จะไม่ปล่อยผ่านอย่างนั้นอย่างนั้นไม่มันต้องรู้อยู่ที่ผู้รู้ตลอดเวลาผู้รู้ที่คิดติดตองได้มันไม่งั้นแล้วเราปล่อยผ่านปุ๊บเราเลยไม่รู้อะไรเลยคือเราเห็นอ๋อใครใครใครเป็นคนรู้อ๋อกาลาร์เป็นคนรู้แล้วก็จบแล้วก็จบไออารมณ์นั้นนะจบอารมณ์นาขนานั้นน่ะ แต่ไม่ได้กัดติดจดจ่อไว้ตรงไอ้ผู้รู้ที่พูดได้ตลอดเวลามันรู้ตรงผู้รู้จะผู้ได้ต่อไปก็ไม่หลงอย่างอื่นอีกคือพอมีอารมณ์อะไรต่างๆเนี่ย Inform ท, ที่ที stand, ่หยกที่ยกทําเนี่ยคือพอมีอารมณ์ต่างๆเนี่ยยกไปลงอารมณ์เข้าแล้วเอ้านี่แล้ก็ยกเข้าหาใจว่าใครเป็นผู้รู้ทวนเข้าหาผู้รู้ปุ๊บแล้วก็อารมณ์พวกนั้นก็ถูกวางไปแต่พอวางแล้วสบายแล้วไม่รู้กัดติดจดจ่ออยู่เนี่ยรู้ตรงผู้รู้อย่าทิ้งผู้รู้เนี่ยไอ้ผู้รู้ที่พูดได้เนี่ยสังเกตมารณ์ ก็อ่าทวนก็หาว่าใครเป็นคนรู้เราเป็นคนรู้อ้าวเลยเลยอารมณ์ทั้งหลายอ่ะมันดับไปก็เลยวางไปเลยแล้วก็สบายแฮเลยตอนนี้ก็เลยไม่ทิ้งผู้รู้ไปเลยตอนนี้แล้วพอมีปัญหาใหม่ก็มาทวนกระแสกันเข้ามาใหม่ว่าใครเป็นคนรู้เราเป็นคนรู้อ้าวพอเราเป็นคนรู้ปุ๊บเราเป็นคนรู้เหรออ้าถ้าอย่างงั้นอารมณ์ทั้งหลายก็ก็ก็ดับไปพอพอดับไปปุ๊บก็เอออารมณ์ทั้งหลายดับไปตอนนี้ก็อีกแหละทิ้งเลยทิ้งผู้รู้เลยแล้วไม่ไม่รู้ท <Hoch sch at> ี si i i ่ผู้รู้ไว้ตลอดเวลา ไอ้ผู้รู้เนี่ยมันพูดไม่หยู่ตลอดเวลาเลยรู้อะไรพูดไม่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือปฏิบัติแค่นี้เองมันก็เลยไม่ก้าวหน้าะจะให้ก้าวหน้าต้องอย่าทิ้งผูร้รู้ไอ้ผู้รู้ที่พูดได้คิดได้บนได้อย่าทิ้งผูร้รู้เพราะว่าพอมันหมดปัญหาปั๊บพอหมดปัญหาแล้วเนี่ยหยกไม่นั่นเลย <c oughs> ไม่ไม่รู้ต่อเลยไม่รู้ที่ผู้รู้ต่อคืออปัญหาหมดแล้วสบายใจปัญหาหมดแล้วสบายใจทิ้งผู้รู้ไปเลยเข้าใจไหมพอผู้รู้เสร็จแล้วหนูก็ ปล่อยเพิินไปเลยเพราะเรื่องใหม่หนูเขานี่หนูไม่ตามต่อหนูเพลินปล่อยเป็นเรื่องอย่างอื่นไม่มีสติละพอมีเรื่องฉุกเฉินฉุกเฉินมาหนูค่อยมีสติรู้ใช่เราไปรู้เรื่องที่ไม่สบายใจที่ใหญ่ๆแคนั้นเองอ่ะแล้วพอพอโมหมดเรื่องนั้นไปแล้วเราก็จบจบจักรู้ไปเลยไม่รู้เลยตอนเนี้ยจบจักรู้ไม่รู้เลยอันนี้คือเหมือนกับอาศัยธรรมะเป็นที่พักใจเวลามีปัญหาถูกต้องแค่นั้นเองแค่นั้นเองฮะแล้วตรงเนี้ยเป็นจุดสําคัญของนักปฏิบัติด้วยนะครับหลวงตาเพราะว่าบางคนเนี่ย ไปเรียนเพื่อที่จะมีสติพอพอพอมีสติปับก็ติดไปกับสิ่งที่ถูกรู้พอถึงเวลาปั๊บก็หลุดไปหมดพอเขาบอกว่าให้กลับมามีสติย้อนันที่ตัวรู้พอเจอปั๊บก็อ๋อเจอแล้ว พอเจอแล้วปั๊บไม่ได้กลับติดจดจ่อต่อเนี่ยปัญหามันก็คือไอปัญญาเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นในช่วงขั้นตอนที่กําลังกัดติดจดจ่อดูดูไอเนี่ยที่มันเป็นยังไงเป็นยังไงตัวตัวผู้รู้เนี่ยว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะการที่จะเรียนรู้ผมว่ากระบวนการขั้นตอนนี้มันน่าจะเกิดความรอบรู้มากยิ่งขึ้นนะครับอ๋อถูกต้เาทิ้งเขาทิ้งคนะในน่าเสียดายเียวกาดมากครับขาสมากเพราะว่า อย่างนี้ก็เท่ากับขึ้นรถไฟความเร็วสูงอ่ะรถไฟความคิดก่อนเลยสูงเที่ยวรอบประเทศรอบโลกแล้วก็พอไปเจอปัญหาก็าากระโดดลง<ช>แล้วก็พอกระโดดลงเสร็จแล้วก็ขึ้นต่อแล้วเที่ยวรอบโลกไปเรื่อยอย่างนี้มันกระโดดแต่รถไฟขึ้นรถไฟความเร็วสูงก็จะไปเจอปัญหาโดนลงแค่นั้นแค่น่าจบแล้วแล้วก็ไม่ฝึกต่ อ, อมันเลยกลายเป็นผู้รู้เคลื่อนที่หมดเลยตอนเนี้ยเทียนแล้วมันเหนื่อยอ่ะมันลําบากก็รู่ง้องเ ง, ง, งี้ยสบายแล้ว สบายรู้เงี้ยไปจนตายแหละรู้โง่โง่เงี้แหละยังไงเรียกว่ารู้โง่ขยายความหน่อยก็เมื่อไหร่เจออะไรสะดุดเห็นค่อยรู้อะไรที่มันไม่เจ็บไม่โดนจังๆระลึกได้อุ้ยรู้เป็นธรรมชาติอย่างนี้แหละดีแล้วอะไรเงี้ยรู้ธรรมชาติคือไม่รู้ก็คือหลงรู้ธรรมชาติของปอของโมเปิลบ้านคือไม่รู้อะไรเลยอยู่อย่างธรรมชาติที่ไม่รู้มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยรู้ธรรมชาตินะใช่ที่พิเถียงหลุดตาแบบ หนูไม่ดีไงหนูไม่ได้ผิดศีล น, นะหนูก็รู้อยู่นะรู้ตอนหนูทุกเจอทุกปุ๊บหนูก็รู้เลยรู้ทุกทีแหละแต่มันไม่รู้ตลอดมันไม่ ม, มีไม่ต้องเห็นต้องเพี้ยนเลยด้วยก็รู้ได้ตลอดเลยแต่เจอทุกแล้วก็รู้ที่หลวงตาบอกว่าต้องมันยังแบ่งทุกแบ่งสุขอยู่เลยมันยังไม่เห็นเลยว่ามันไปเอาสุขไงอย่างนี้ตอนเหม่อเผอเพลินมันก็เป็นความสุขเราชอบ เราก็รู้ตัวตอนเหม่อเผือเพลินได้ตลอดเลยปก็ไม่เห็นจะต้องเพียนเลยนี่เหม่อเผือเพลินมันทั้งวันเดี๋ยวค่อยรู้อย่างเงี้ยเป็นมาแบบจนมันแบบหนักสันดาลนะคะ <c oughs> แท่วัางก็ทุกแล้วรู้บ้างอย่างเงี้ยมาตลอดเลยเน่คือหยกเลยใช่สติหายสมาธิหายปัญญาหายทำหายเป็นทุกข์สติมีสมาธิมีปัญญามีทำมีไม่ทุกข์ สติเป็นมหาสติเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาเป็นนิพพานพ้นจากทุกข์สติแปลว่าระลึกระลึกรู้ไวระลึกรู้ไว้ระลึกได้ระลึกได้ว่ามันต้องอยู่กับรู้ระลึกได้ว่าต้องอยู่กับรู้อยู่กับรู้อยู่กับรู้อยู่กับรู้เนี่ยอย่าไปอยู่กับสิ่งที er> <S <S <t ains> <t ains> <t ains ่ถูกรู้เอันแรกแยมันอยู่กับรู้ที่พูดได้ทั้ก่อนแล้วละรู้ที่พูดได้มันต้จะเป็นไอ้รู้ที่พูดไม่ได้อรู้ที่มันต้องไอยู่กับรู้ที่คิดได้ จะเห็นไอ้รู้ที่คิดได้อยู่กับรู้ที่คิดได้บ่อยๆเขาก็เหนื่อยมากเลยเว้ยไอ้นี่ยมันตั้งรู้ตั้งคิดตั้งรู้ตั้งคิดเหนื่อยมากเลยแล้วมันจึงยอมวางไอ้ไอ้รู้ที่คิดได้พอยอมวางที่รู้ที่คิดได้มันก็เลยไปเจอไอ้ไอ้รู้ที่คิดไม่ได้เวลาเราเห็นหนูชอบสบายๆพอมันเห็นมันแบบมันจีจีจีจีแล้วเรารู้สึกกับเหนื่อยเหนื่อยเสร็จแล้วหนูก็เอ้ยไม่อ้างแล้วเรามันก็เลยเข้าแช่ใช่ใคือเราเหมือนกับคนที่เกียดอะเหมือนคนที่เกียดทํางาน คือ lifting, มันต้องรู้ทั้งรู้ ท, ทั้ทงคิดมันก็เลยเออแต่มันก็เหนื่อยแต่มันฉลาดมันเหนื่อยแต่มันฉลาดนะแต่พอขี้เกียจปุ๊บทิ้งรู้ไปแล้วก็อยู่สบายอันเนี้ยเล้งโง่ไปเลยแก้ไขนะรู้ตัวแล้วแก้ไขไปทิ้งรู้อพอไปทิ้งรู้มันจะเป็นโลกอืน่นตามมาโลกภูมิแพ้โล ก, โล ก, โลกเอไม่เกณฑ์เพราะพอทิ้งรู้ไปอยู่กับว่าไม่รู้อะไรเลยแช่ไปเงี้ยมันจะมีโลกตามมาคือ โรคไมเกรนโรคปวดหัวข้างเดียวโรคไอภูมิแพ้โรคภูมิค้มกันบกพร่องทำลายตัวเองแล้วก็โรคอะไรหลายโรคตามมาลิ้นเป็นฝ้าขาวตาขอบตาแดงคันไปหมดเลยแล้วก็เป็นผื่นคันตามตัวหลายอย่างตามมา